ตัติยังการนิยัเมตสุตัง กรณียมาทักุสเลนยันตางสารตางปัางอภิสมเหจะสากโอะอุชูจะสุหูชจะสุวัจจะสมุทุอนัติมานิสันตุสโกจะสุภโรจะอเกจจะสัลหุกะวติสันเตนทรโยจะนิปโก วรจะอาบประคาพัวกุเลสุอนันุคิดถอนนะจะโคดทางสมาจะเรียกินที่เยนวิญยูนมาเรีอุปวัทไถยุงสุขิโนวาเมิโนหอนตุสเพสัตตาภวันตุสุขิตาตายเกติปานาปูติตตาสาวาถาวารา วะอนวะเสสาทิขาวะเยมหันตาวะมาจิมารัสกาอนุกัตถุอาทิทถาวะเยจะอทิตถายจะทูเรวสันติอวิทุเรผูตาวาสามเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาณป พรรปรานิโกเพธนาทิมันเยตการตินางกินทิพยารูสนาปติคสัญญาณญาแมนยาสุขเมิดชัยมาตาทานิยังพวดตงอายุสาเอกปวตมะนุรกเคเอวังปิสพระภูเตสุมาณซัม ภาวะเยอปริมานังเมตตานจะสะพระโลกะสมิงมานสัมภาวะเยะอภิริมานังอดทางอโทจะติริยานจะอสัมภาทางมาเวรังอสปัตตังทิดทางจะรังในสินโนวะสยาโนวะยาวตตสวิกัตตมิโต เทตังสติงอเทตไหยปรามะาเมตังวิหารังอิทมะหุตเทติินจะอนุปัคคามาสิลวาทัสเนสนะสัมปันโนการเมสุวินยัยยะเขทางนนทิชาตุขาปไัยังกุนเรติติ